อิ سم ุลลอฮิราะห์ ماني ราะหีม الحمد لله ربنا عالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุข ความเมตตาจากอัลลอฮสุบบฮานุตาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูนทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้เป็นวการอธิบายอันกุรอานในซุรฮุดอายะที่ยี่สิห้าถึงย8สบดที่พี่น้องได้รับชีตตอนนี้เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หัวข้อที่จะอธิบายในวันนี้จากสุรอะจากอายะที่ยี่สิบห้าถึงย8บแปดของสุรพูดเรื่องแกนนำที่ต่อต้านท่านเ บ, บีนาะอะเลฮิสลามคือทุกนบีที่อลัลลอฮ์ได้ส่งมาทุกรอซูลที่อลัลลอฮ์ได้ส่งมาเพื่อบอกอิสลามให้กับชาวโลกให้เกิดกลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นน่มันจะมีการต่อต้าน มันจะมีการต่อต้านเสมอแต่การต่อต้านของทุกนบีที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทุกครั้งเป็นการต่อต้านที่รุนแรงและวิกฤตของการลงโทษจากอัลลอฮ์ก็รุนแรงด้วยก็แสดงว่าคนที่แข็งข้อกับอัลลอฮ์ไม่มีการไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์สมุมาตาลาเราก็เช่นเดียวกัน บางทีเราทำความผิดแล้วก็ไม่ได้ถูกลงโทษจากอัลลอ์อย่าคิดว่าอัลลอ์ลืมแต่อัลลอ์ได้ประวิงเวลาไว้สำหรับการลงโทษที่สาหาัสากันในวันนี้แน่นอนอาคิร์ก็โดนอย่างแน่นอนในอายะ์ที่สิบห้าอัลลอ์บอกว่าประเด็นก็คือแกนนำที่ต่อต้านท่านอบีนวะ คำตอบก็คือทุกนบีจะต้องมีผู้ต่อต้านไม่ไม่มีคนกลุ่มใดที่ไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านอิสลามเพราะท่ามกลางสภาพวแวดล้อมที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์จะมองเห็นว่าอิสลามคือสิ่งที่เป็นพิษต่อชีวิตของเขาทั้งที่อิสลามได้บอกถึงความถูกต้องและความเป็นจริงที่อัลลอ์ประสงค์จะให้เราเปลี่ยนแปลงสู่ทางของอัลลอ์เพราะอัลลอ และเราก็รู้ดีว่าเราเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์เมื่อวันที่เราตอบคำถามที่อลัลลอ์ถามว่าอัลล um ัสตูบิรอบิคุมฉันเป็นพระเจ้าของพวกท่านใช่ไหมในโลกแห่งวิญ ญ, ญาณอัลลอ์ตั้งคำถามวิญญาณท่างหลายก็ตอบว่ากอรูบาราวิญญาณก็ตอบว่าบาราใช่แล้วอลัลลอ์เป็นนะเป็นผู้บริบาลเป็นผู้ดูแลเมื่ออยากจะใช้ว่าเป็นพระผู้อภิบาล ไม่อยากจะใช้คาว่าเป็นพระผู้ดูแลนะอัลลอฮ์เป็นผู้บริบาอลอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเพราะอัลลอฮ์เป็นอะไรครับอัลลอฮ์เป็นรบบุญอัลลอ์รบบุญก็คือผู้ดูแลผู้เกือกูลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาไม่ว่าสิ่งที่พระองค์สร้างมาจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์จะเป็นต้นไม้หรือทุกสิ่งทั้งหมดเกิดมาเพราะอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ก็ดูแล เมื่อเราดูแลเนี่ยเราอย่าไปเครียดบางคนฝนตกก็เครียดเครียดว่าทาไมมันตกมันน่าจะตกตอนกลางวันไปถึงโรงเรียนแล้วมันน่าจะตกพอตกตอนเย็นมันก็บอกว่าน่าจะตกตอนกลับบ้านตอนกลางคืนะนะถึงข้อเสนอแนะที่ที่ไรครับส อ, อสอเสืออะ คือต้องรู้นะว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ได้สร้างมันสร้างโลกนี้นี้มาเป็นมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กันและกันทั้งหมดแหละเป็นระบบโดยรวมที่อัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างโลกนี้มาเพื่อมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวเราก็ต้องนึกว่าสัตว์ก็ต้องการอาหารพืชก็ต้องการอาหารอย่างที่เรารู้กันอยู่ที่ผมเคยตอกย้ำหลายครั้งว่า อัลลอฮ์สร้างแผ่นดินสร้างภูเขามาเพื่อรับใชพ้พืชพืชก็เติบโตนบนแผ่นดินบนภูเขามีแหล่งน้ําก็เติบโ ต, ม า, ต, ตมาและพืชที่โตโตมาเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็สร้างมันมาเพื่อรับใช้มนุษย์แล้วะสัตว์ก็เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แม้ต้นไม้เราก็กินสมยก่อนกินยามยหม้อไหมต้นไม้ถากันมาต้มถากันมาถากันมาต้ม อัลลอ์ก็ให้หายนะแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างสัตว์มาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์อาหารของมนุษย์เป็นอาหารด้วยแล้วก็เป็นสัตว์ที่จะนำมาเป็นอิบาดาต่ออัลลอฮ์เช่นกูรบาลเราก็เชิดเจ็ดอดูเชิดมัวถามว่าเชิดควายได้ไหมอาจารย์ยูซุปตอบดีวะ่ะ เกือมือนบีสั่งให้ทำงัวก็ขายควายแล้วก็ไปซื้องัวก็หมดเรื่องไม่ต้องเครียดเชือดอูดอย่างเงี้ยแล้วบอเอออยากจะเชียดควายอ้าวควายมันก็ขายควายซื้ออูดเราไม่ขายเราเนี่ยผัวฉันทำไเรามาเริ่งเหมือนควายทำกุรบันไดไหมไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นควายมนุษย์นะงั้นเชือดไม่ได้คนอย่าไปเชือด ก็จะมีวาระของกุรุบานในอิรุลอัลดาฮาพี่น้องมีสตังก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องทำแต่น บ, บีบอกว่าถ้าเชือดแพะหรือเชือดแกะหนึ่งตัวเนี่ยมันจะครอบคุมได้ทั้งตัวเราและคนในครอบครัวกี่ครอบครัวก็คุมได้แต่เชือดสัตว์ก็คนละส่วนคนละส่วนแต่นี้ย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าอาลัลลอฮ์บอกใ น, นอันกุรอานว่า เวลาก็ดาอารมสั้นาก็เดก้อนกัอรอหวังบอกกอนกัอรอลอใหญ่ลอเล็กก็ดูเอาเวลาก็เราแท้จริงเราอารมสั้นนาได้ส่งเราส่งอัลลอฮ์ส่ ง, ส, งส่งใครนูฮันนบีนูฮ์ส่งไปที่ไหนอิลาเกเฒมีฮีไปยังกลุ่มชนของเขาฮีกลับไปหาหนูฮ์ส่งนูฮ์มายังกลุ่มชนของเขา เป็นที่น่าสังเกตนะเราะจะส่งใครไปเนี่ยกระส่งไปที่กลุ่มชนของเขาก่อนเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในความเชื่อของกลุ่มชนเหล่านั้นปรับความเชื่อก่อนจะทำอะไรที่ให้เคลื่อนไหวได้ต้องปรับความเชื่อก่อนแล้วก็ปรับความเชื่อไปยังกลุ่มชนให้อีมานต่ออัลลอ์ให้ศรัทธาต่ออัลลอ์เพราะอะไรครับ พออะกีด้าความยึดมั่นศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์นับตั้งแต่นเบียอาดามอะลาฮิสลามจกนกระทั่งถึงท่านนาบีมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงวันกิยามะศรัทธาเดียวกันที่เรามีคือล il ออิลาฮิอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวส่วนนบีจะมาทําหน้าที่จะเป็นไรก็ว่าไปในยุค ข, ของเราก็มุฮัมมัดุลรอซูลุลอลอฮ์นบีอีซายุคนั้นก็อีซาเป็นหลอดสูญของอัลลอฮ์มูซาเป็นหลอดสูญของอัลลอฮ์ก็ทําหน้าที่บอกอิสลาม นะให้คนมาทำหน้าที่บอกอิสลามแล้วเราก็ต้องส่งต่ออิสลามให้กับพี่น้องได้รับรู้ก่อนก่อนก็ส่งครูไปสอนก็นไม่ไหวเหมือนกันขึ้นเขาลงห้วยดีไม่ดีเกเจอโดนยิงในป่าก็เป็นอาจจะโดนยิงในป่าก็ได้แต่เดี๋ยวนี้สบายมันมีสื่อที่จะส่งความคิดความรู้อิสลามให้กับพี่น้องได้รับรู้จะเป็นโทรทัศน์เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย เดี๋ยวนี้เราสบายแล้วอัลฮัมดุลิลละตอนนี้พอรู้เยอะก็เราก็เลี่ยงอ่านี่นี่คือความไม่สำเร็จของการไปบ่าวขอร์รัที่สมบูรณ์ส่งมายังกลุ่มชนของเขาแล้วลบีนัวก็บอกว่าอ um um ินนีละกุมนาซีรุมูบีนลบีนัวก็บอกว่าแท้จริงตัวฉันนี้คือตัวนะบีนัวน่ะละกุมนาซีรุมูบีน เป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่านเาลาเน้นว่าอินนีละกุ้มก่อนเร า, าไม่บอกว่าอินนีนาซีรุน ม, มูบีนละกุ้มเปการเน้นว่าฉันมาเนี่ยละกุ้มเพื่อประโยชน์สําหรับพวกท่านนะที่จะได้รับสิ่งต่างๆจากเรานี่ละกุ้มเพื่อประโยชน์สำหรับท่านอะไรล่ะนาซีรุมมูบีนการตักเตือนที่ชัดเจนชัดแจ้งแจ่มชัดตักเตือน อิสลมมามแบบไม่คุมเคือแต่มาแบบแอะไรชัดเจนมาแบบชัดๆมันที่ความชัดความอิสามจะกระเทือนความรู้สึกของใครก็แล้วแต่สิแต่ความถูกต้องเมื่อมามันกระเทือนความรู้สึกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่กระเทือนความรู้สึกแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ใช่เราจะล้มเหลวเองแต่นี้ดูนิดนึงนะบีนวัวเนี่ยประวัติที่เราได้รับรู้เรารู้แล้วนะบีนวัวเป็นยังไง นบีนวัวเนี่ยเป็นบุตรของลามัตบุตรของมะตูบุตรของนบีอินเดริสสมัยก่อนชื่อแปลกๆนะลามัดเมื่อวานนี้เจอเด็กพม่คนหนึ่งถามว่าชื่ออะไรหนูชื่ออูกาชาอูกาชานะ่างเออชื่อเพาะนะใครกําลังท้องชื่ออูกาชา ก, ก็ได้ยังไงเรียบอูกาชาอูกาชานะดี หลังจากนบีอิอสดริสได้ขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยอิบลิสได้กล่าวว่านะได้กล่าวแก่มะตูว่าหากท่านคิดถึงบิดาจงปั้นรูปเหมือนบิดาขึ้นมาและจงสักการะรูปปั้นนั้นนี่คืออะไรนี่คือการการอะไร การให้ความคิดของอิบลิสอิบลิสอิบลิสนิสัยจำไว้นะอาบาวัสตักบารอ ด, ดื้อแล้วก็ตะกบดื้อดึงดันตะกบดยะโสโอหังะยะโสโอหังมันก็บอกว่าให้ปั้นรูปเหมือนบิดาขึ้นมาเมื่อเรานึกถึงก็มองรูปบิดามันดาพอนานๆไปก็มีความรู้สึกว่าพ่อจะหิวก็เอาน้ำแดงมากิน ก็มีน้ำเขียวน้ำแดงอา้าวนึกได้พ่อชอบกินถั่วต้มอา้าวต้มถั่วไปกินมาฝันเห็นว่าพ่อมาไม่มีเสื้ออา้าวทำบุญสลรกอรเสื้อแตลไไ่ลุงบิดาได้เสื้อไหมไม่ได้หรอกระแบอเอาไปกินหมดนะนึกถึงพ่อแม่ทำไงทำไงขอด้วยอาเรามาฟินละหูว่าเราทำหูว่าฟีฮีว่าฟัอันหูคอสิ Allahu majajan kabrahu r า, า u ja d chercher, so <Gold>. h a t a m i r i y a d i n jannah wa t i h i m a น waufin jannah warauni rahdahu wasya kabrhu wajan u s a า a m a t a m i n k u ิ r i z a m b ว n w a n a j a t a m i n anad wa ะ a u z a m b อยกโทษง่ายๆคือขอเรายกโทษรให้ความเมตตาแค่นี้ล่ะไม่จะส่งอาหารไม่จะส่งเสื้อไม่จะส่งอะไรเขาไม่ใส่หรอกเราเอาจินตนาการดนยาไปให้กับคนตายมันไม่ใช่ คนตายอยู่ในอารามบาซักไม่ต้องการอะไรแต่สิ่งที่เป็นความต้องการและไหลสู่คนตายตลอดเวลามีกี่อย่างสามอย่างทำอย่างหนึ่งสารก็ยาริยายาริยาคือยาดินทำไปแล้วบุญมันจะยาดินไหลสู่เราตลอดเวลานี่ทำอย่างในส่วนของซากาศในส่วนของสรก็ทำไม่อย่างหัวจะเป็นโรคสารก็ กูว่าจะป่วยจะเป็นโรคอิสติกฟาต่อเราเยอะๆนี่คือการรักษาโรคทางหนึ่งแอนอสาระก็จะรุดนบาลาวัตุตาเวลุลุมไสระก็จะปกป้องจะปลายลาภัยพิบัติโรคร้ายโรคต่างๆและทําให้อายุยืนอิสติกฟาต์ก็ปกป้องจะโรคร้ายเหมือนกันนี่คือนี่คือสิ่งที่นบีบอกสองอะไรที่จะถึงเราคืออิลมุลยุนตาฟออูบีฮี ความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้อิสลามหรือความรู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์จะเป็นวิชาชีพเรืออะไรก็แล้วแต่เราให้เขาเราบอกเขาเราสอนเขาเราก็ได้รับประโยชน์จากเขาเอาคําสอนของเราไปปฏิบัติแต่เราหวงอ่ะที่ผมเคยบอกไปขอสูตรไก่ทอดที่หาดใหญ่เราอยู่กรุงเทพอยู่นครสวรรค์มันหวงมันกลัวว่าจะไปขายแข่งกับมัน ใครคนอยู่นครสวรรค์จะนั่งรถไปขายไก่ทอดที่หาดใหญ่ให้ความรู้วันหนึ่งที่เขารับความรู้เอาไปทอดไก่ไก่ทอดแบบนั้นขายแล้วได้สตาร์งมาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวไอ้ว่านุ่นต้นกําเนิดให้ความรู้ได้ได้อะไร ไ, ไ, ไ, ได้บุญด้วยงั้นความรู้ของมุสลิมจะไม่หายไปจากโลกในระบบอิสลามจะไม่หายไปจากโลกแต่เรามากักไว้เพราะอะไรเพราะความคิดที่ไม่ใช่อิสลามหวงหวงอะ่ะ หวงเลยเียํคำสั่งที่อลัลลอฮ์บอก ah um อินนัลลอฮัยยลซุกมัยยาชาอัลลอ์จะประทานดิสกีอย่างใดให้กับบุคคลที่พ ร, ระองค์ทรงประสรงค์น้อยมากอยู่ที่พระองค์ทรงประสรงค์งั้นเราขออัลเลาะห์มาลูซุกนีดิสกอกนฮาลาลตอ ย, ยิบันมุบารอกมฟขอสิขอมีิสกีจะฮาลาลดิกีที่ตอ ย, ยิบริกีเยอะๆขอให้พ้นนี้พ้นศินขอจากอาลัลลอฮ์สุตะลา นี่คือการฝึกความรู้สึกเชื่อมต่อของเรากับอัลลอฮสวลตาลาวาอิงกับอัลลอเสมอเราจะไม่อิงต่อระบบอื่นนะจะไม่อิงต่อระบบอื่นแต่นี้อัลลอฮฺเนี่ยไม่ได้ให้อะไรแก่เราแบบสำเร็จรูปขอสตังตังมาอยู่ในกระเป๋าเลยโอ้โหเราขี้เกียจแย่เลยนะข อ, อะได้หล่ะขอเนื้องวลงมาโอ้โหสิบโล ขอเนื้อเค็มแต่เร า, าเป็นอมพาดได้เราม่ต้องมีสมองหรกใช่ไหมสามที่จะหลสู่เราตลอเวลาเนี้ไอ้คนไม่มีลูกผมเคยบอกไงเราส่งลูกคนอื่นเรียนก็ได้ถ้าเราไม่มีลูกเรามีฐานะส่งลูกคนอื่นเรียนได้ตอนนี้มีที่ศาสนามีคนเริ่มที่จะสนใจตรงนี้ว่าส่งเด็กศาสนาเรียนต่างประเทศเขามีลูกเขามีสตังค์แต่เขาต้องการประโยชน์ตรงนี้ไง พอเด็กมาเรียนมาแล้วได้ความรู้เขาก็จะได้รับการต่อยอดผลบุญจากเด็กคนนี้แหละได้รับผลบุญเด็กไปสอนเขาก็ได้บุญคนที่เด็กคนนั้นไปสอนต่อเ น, นื่องต่อเนื่องก็ได้บุญตลอดนี่นี่คืออะไรอินมุลยุนตะฟออุมิฮประการที่สามก็คือว่าราดูนซอเรียนผลญาอุลละลูกที่สอนและลูกที่มีอิสลามดูอาให้กับเรามันจะนึกถึงเรานะมันจะนึกถึงเรา ขอไงล่ะก็ขอเรายกโทษเราลองให้ความเมตตาแล้วอตาจะขอสินี่นี่ี่ไงนี่คือความต่อเนื่องของดนยาที่ถึงอาคิระกแต่นี้เวลาอนะัลลอ์ส่งนบีมาเพราะเพราะมนุษย์ตกอยู่ในความงมงายอัลลอ์ก็ส่งนะบีนวลมาเพื่ออะไรสอนให้อิบาด้าต่อเราองค์เดียวและและทิ้งรูปเคารพต่างๆอย่างเด็ดขาด รูปเคารพต่างๆอย่างเด็ดขาดสอนไปเราอย่าไปเอารูปเคารพจะเอาอย่างอื่นเอาตะกุดมาแขวนเอารูปครูมาแขวนเอารูปแฟนมาแขวนตายไปตั้งหลายปีจะได้รำลึกถึงว่าแฟนเขาดีกว่าเราเราต้องรำลึกถึงอ๋อเขาตายไปแล้วก็ขอดวอาให้เข า, อ, าอย่าไปติดยึด ขอดูอาให้วันหนึ่งอยากจะแต่งงานใหม่มีคนดีพร้อมก็แต่งงานไปอลอเาเปิดฮุกกลมให้ับ ก, ก็ก็ทำตามนี้แต่นี้พอ น, นบีนัวมาสอนอิสลามก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของนบีนัวไม่สนใจเลยนบีนัวจะสอนยังไงไม่สนใจแล้วลูกของนบีนัวที่เหลืออยู่จากการจมน้ำตายก็สามคน มีซามฮามยาฟิสซามไปอยู่ที่ไหนซามก็เป็นไปยังย้ายไปยังชาติอาหรับไปอยู่ที่อาหรับเ ป, เป็นบรรบุรุษเป็นบรรพบุรุษของคนผิวเหลืองฮามก็พาครอบครัวไปยังซูดานก็เป็นบรรพบุรุษของคนผิวดําส่วนยาฟิสก็พาครอบครัวไปยังเติร์กตุรกีก็เป็นบรรพบุรุษของคนผิวขาวนี่ลูกของระบียนวะ กันไอ้ดำดำซมามยาามยาฟิสซามอ่ามามยาฟิซามซีนฮามฮาเล็กยาฟิสนะยาฟิฟาซายาฟิ ส, สีแต่การอ่านน่จมน้ำตายการอ่านจมน้ำตายเพราะอะไรเพราะอะไรนบีนัวเรียกคนศรัทธา ม, มาขึ้นอยู่บนเรือ แต่ว่าลูกก็ไม่มานะหลายคนก็ไม่ศรัทธาต่อคำสองของท่านนาบีนัวท้ายสุดลูกของนบีนัวที่ชื่อกันอานก็จมน้ำตายนะจมน้าตายนาบีนวเนี่ยอายุตัองพันปีพันปีในสิบกูรูหนึ่งกูรูเท่ากับร้อยปีศตวรรษพันปีนบีอาดามอายุเก้าร้ยสามสิบปี น บ, บีนุ่งประกาศสลามพันปีทั้งไรไลลันวนอะฮารอทั้งกลางวันและกลางคืนได้อุมา ก, กี่คนได้ผู้ศรัทธากี่คนแปดสิบคนอลอใจใจพวกนั้นใจบอดพันปีได้แปดสิบคนนะพันปีได้แปดสิบคนนี่คือการทำหน้าที่ของน บ, บีนุ่งยากเย็นแสนเข็นได้รับการต่อต้านงั้นต้องจำไว้เลยนะ อิสลามจะไปผูต้องไหนจาไม่เลยว่าจะต้องได้รับการต่อต้านจากคนที่ไม่ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอ์แต่เราต้องมุ่งมัน่นมันจะต่อต้านก็ต่อต้านไปแล้วคุณมิยาบมันก็ว่าเปน็นไอ้มงสงสัยหัวเป็นชันตะตูมึงถึงคุณมิยาเอมันว่าไปยดาดะฮากูนหัวเราดูสิก็เปิดสัดส่วนตรงนู้นตรงนี้ให้มันไรให้มันให้มัได้เป็นที่ต้องตาของคนแต่มุสลิมปิด ก็ยาตากูลวันนี้มันหัวเราะเย่อเย้ยเราแต่วันกิยามะเราก็หัวเราะเย่อเย้ยมันอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนั้นเราอย่าแคร์ต่อเสียงหัวเสียงหัวเราะด้วยสายตาที่เหยียดหยามเราไม่แคร์เราไม่หวั่นไหวเราถือว่าคําสั่งของอัลลอฮ์นั้นสูงสุดและยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของเราเราต้งบอกว่าอามันตุบิลละฉันอีหมั่นต่ออัลลอฮ์ฉันจึงทําแบบนี้ฉันมีแบบอย่างอย่างนี้นะอย่าไปหวั่นไหว วันนี้อาจจะแปรดึงไปหน่อยเพราะทราบว่าจาจมุสตาฟาไม่ได้มานะแต่นี้การรุกของเยตอนที่มีต่อทุกคนแม้แต่ตัวเราเนี่ยเวลาเยตอนมันเนี่ยอะไรนะมันถูกสาปจากอัลลอฮ์อิบลสเนี่ยมันอาบาวัสตักบะร์รต้นเดิมที่เรารู้กันอยู่อัลลอฮ์ให้สอยู่ต่ออาดัมอิบลิสเนี่ยเป็น หนึ่งในกลุ่มของเมเลากาเป็นยินที่อยู่ในกลุ่มของเมเลกาอลาอสังสิย์อยู่ต่ออาดัมมันไม่สืยุ่มันหลงประเด็นมันบอกว่าจะสืยุ่ต่ออาดัมทําไมเมื่ออาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่มันถูกสร้างมาจากไฟไฟย่อมดีกว่าดินมันสรุปว่าไฟดีกว่าดินเป็นการสรุปที่ผิดวันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่อลา บ, บ, บอกอลา บ, บอกอุสยู่ด้วยเลยอาดัมท่านละจงสืยุต่ต่ออาดัมถ้าสืยุ่ก็จบแต่ไม่สืยุ่ อาบาวัสตัคบารอดือแล้วก็ยัโศวกาญามีนันกาฟิรินก็เป็นกาเฟสผู้ทรยด์จนกระทั่งถึงวันเกยามะแต่ว่ามันไม่ทิ้งลายของคนของของของผู้ที่ทรอยด์มันตั้งสองประเด็นมันจะต้องทำเนื่ละอักอุดันมาซิรอตะการมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงตรงไหนที่มีอยู่มันจะไปขวางมันจะไปทําให้บิดเบี้ยวมันจะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าอิสลามไม่ดีแบบนู้นแบบนี้ละอักอุดันก่ออาด่านนั่ง นั่งขวางทางที่เที่ยงตรงมันจะขวางสองลาอุควียนนุมอาจมะเอ็นจะทำให้หลงทั้งหมดเลยนี่คือคือคืออะไรคือคำประกาศของมันที่มันจะทำหน้าที่แต่เราสู้ได้เพราะเราเชื่อคำสั่งก่อนหรอมันจะมาในรูปไหนใชตตอนอะ่ะเนื่งจากะยีนุลมาอาสี อะไรที่เป็นสิ่งมัคยัดมันจะทําให้เป็นที่น่าชื่นชมไสยนาทําให้สวยงามทําให้เป็นน่าชื่นชมให้เป็นที่นิยมเนี่ยมันจะกระตุ้นความรู้สึกให้เป็นที่นิยมสิ่งที่เป็นมัคยัดที่เป็นการถลยยต่อเรานั้นเราจําไว้ว่าถ้าเราจะถลยยคําสั่งขอลเราในประเด็นใดรู้ว่าชายตอนกําลังรุกเราแล้วนี่ประเด็นแรกตาสีนุนมาอาสีในประเด็นที่สองก็คือว่าอะไร ในประเด็นที่สองก็คือไว้ไหนอ่ะอัลกูลูฟิซโซ ล, ลัยนะวันอัลเลีเราจะมีความรู้สึกทิศเลยเถิดกับคนซอยแรและบรรดาวาลีทั้งหลายผู้ที่เป็นคนที่ดีคนซอยแรทั้งหลายเลยเถิดจะยังไงจากการที่คนนั้นก็เป็นคนแต่ก็เอามาเป็นพระเจ้ามาสุญูดเช่นคนซอยแรชื่ออะไรนะชื่อวัดดุลชื่อสุวาอุน ชื่อยาหุสยาอุกนัสรอนี่ยาอุกยาหุสยาอุกนัสรุนเนี่ยเป็นอัสมาอุรยาหรือโซลีนเป็นชื่อของผู้คนที่เป็นคนโซลเเละเนี่ยคนโซลเเละแต่ท้ายสุดวัดดุนสุวาอุนยาหุสยาอุกนัสรอก็กลับกลายเป็นเป็นไรเป็นผู้คนที่มันสืบยุทธ์กราบไหว้นี่คือชีวิตที่หลงประเด็นนี่คือชีวิตที่หลงประเด็นเนื้อ เอาสิ่งที่มาดีเป็นความสวยงามเมื่อฝ่าฝืนคำสั่งก่อนเราเราก็เห็นว่าดีสองเอาคนดีคนซอยแลเป็นเจ้าก็ต้องไปหาแหละแต่ไปหาโต๊ะครูเพื่อขอคำแนะนำโอเคไหมมีปัญหาแต่ไปหาโต๊ะครูให้ทำชี้ลงชีเดิษอันนี้ไม่ได้เนี่ยใช่ตอนแต่นี้เวลามันถูกขับไล่นี่มันถูกขับไล่ลงมาแล้วเนี่ยใช่ตอนมันบอกกับเราว่าไง เจ้ามันบอกว่าโอ้เออหลอท่านไล่ฉันมาอยู่บนแผ่นดินนี้ไล่มาสู่ฝากแผ่นดินนี้และให้ฉันเป็นคนที่อรอยยิ้มันเป็นคนที่สาบแช่ถูกสาบแช่งตลอดเวลาเพราะธรยศเนี่ยเออหลอไล่แล้วเออหลไล่มันก็บอกว่ามันขอที่อยู่ด้วยมันขอที่อยู่มันจะอยู่ตรงไหนอลหลอกก็บอกว่า ที่อยู่ของท่านก็คือของมึงดีกว่าอย่าของท่านห้องน้ำที่อยู่ของมึงคือเวทอยู่ส้วมพออยู่ในส้วมปุ๊บเรารู้ลวชายตอนอยู่ในส้วมนบีก็ดูแลเราเวลาจะเข้าห้องน้ำในส้วมเนี่ยอ่านยังไงอัลลอฮฺพุมัอินนิยาอูซูบิกามินันคุบุซวัลคอบาอิสอ่านดยอาตนต้นนี้ถ้าไม่อ่านชายตอนมานั่งดูเลยโอ้ วมันถ่ายยาวเลยวันนี้เว้ยมันมองหมดเลยนะมันอยู่ในห้องน้ำอาจจะเป็นเช่นนี้แหละผู้ใหญ่สมัยก่อนถึงไม่เอาห้องน้ำไว้ที่บ้านเอาไว้หัวโคกเดินตั้งนานกว่าจะถึงนูน่นบานมากผมเอาไวน้นู่นปลายสวนนนอ๋อก่อนก็นามาเรียกเส่อมที่เรียกวทมีสาสองต้นพาด มาทายทีก็ต้องอต้องมีสปริงกลัว ม, มันกระเด็นแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้เราเล่าให้ฟังถ้าหยาแยงก็เฉยๆว่าเดี๋ยวนี้่ไหมอยู่ในห้องน้ําแล้วแล้วอะไรความคิดสมัยใหม่อเข้าออไปแล้วไปอยู่นานอ่านหนังสืออะไรต่ออะไรในห้องน้ําเขาบอกเสร็จแล้วให้ออกอย่าไปนั่งง่วนอยู่ในห้องน้ําเนี่ยความคิดอะไรนะปรับห้องน้ําให้เป็นที่พัก อ่านหนังสือมีเก้าอี้นั่งอย่างดีไม่ใช่เสร็จแล้วให้ออกออกแล้วก็อ่านอุราตออหรอว่า ง, งนะั้นกูฟรอหน้ากาก็ได้ขอเรายกโทษเราเข้าห้องน้ําเรามีบาปอะไรละ่ะคือในช่วงที่อยู่ในห้องน้ำนะํำเราไม่ได้ดีเกตต่อหรอเหมือนคนมีบาปที่ไม่ได้ทําความดีตรงนั้นอ่านคุรานก็ไม่ได้หรืออัลฮุมไอินเนียอูซูบิการเนันคูบุซีวัลคอไบอิสใช่ป่าวเออตอนข้าว ตอ น, น um Hill, Hillary, Allah, Allah. ออกอัลฮัมดุลิลลาฮิลาลิอัลฮะบะอินอัลาวะอัฟาีสันเสิอัลฮัมดุลิลลาอัลเลยไอยุ่งยุ่งยากยากที่ฉันเกิดในที่มีในท้องไปวันนี้หายแล้วอัลฮัมด um ุลิลลานี่วิถีชีวิตเข้าเท DIS, ้ทาซ้ายออกเท้าขวามันก็บอกอีกว่ามันขอที่พักด้วยที่นั่งเล่นที่พักสนุกสนานของมันมันจะไปอยู่ที่ไหนมันเหงานบีก็บอกอัลลยนบีบอกว่านบีก็บอกว่า เราอบอกว่าไปอยู่ที่ตลาดแล้วก็ตามถนนหนทางทั่วๆไปเนี่ยชายตอนมันจะอยู่นะงั้นตลาดนะบีทึาบอกว่าไงนะให้ไปเร็วๆภารากิจเสร็จรีบกลับให้ไปมสัสยิดนานๆแต่เรากลับกันมสัสยิดแปบหนึ่งตลาด น, ะนานๆแต่เนี่ก็มันก็พัฒนาตลาดให้หน่าเดินเดินห้างอะโหจังกัสซูโบยันอิซา กลับมาง่วงฮะเนี่ยแล้วก็ซื้อได้เยอะสิเพราะอะไรความอยากมีไอ้ถาเวลาตั้งใจไปซื้ออย่างเดียวพอเดินแล้วมันสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างาแบกเข้ามาใช้ในบ้านเหลือนี่ตลาดมันก็บอกว่าแล้วมันจะกินอาหารที่ไหนล่ะมันก็ต้องกินกินแบบไหน ลราก็บอกว่ากุญมารำยาสกุริสมัลลอะไรกินอาหารของคนที่เวลาเขากินไม่ว่าบนะิสมิลลาห์น่ะนั่นแหละมึงไปกินกับมันเถอะจะกินอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนกินไม่ว่าบิสมิลลาห์นั่นแหละไปกินร่วมกับมันมันยังมีชายตอนอ้วนชายตอนผอมไนงะมันคุยกันชายตอนอ้วนว่าโอ้ทำไมมึงผอมเหลือเกินวะโอ้จะไม่ผอมได้ยังไงไปที่ไหนไปกินอะไรมันกับบิสมิลลาห์ข้าวบ้านมันกับบิสมิลลาห์ไม่มีที่อยู่ที่จะนอน พร้อมแล้วทําไมมึงอ้วนละ่ะโอ้ยสบายเลยบ้านนั้นไม่เคยว่าบิสมิลลาเลยเข้าบ้านก็ไม่เคยให้สลามนอนกับเมียก็ไม่เคย อ, าอ่านอูอาโอ้ได้สบายเลยไปนอนไปกินมันนอนกับเมียมันกูก็ด้วยอ่านี่นี่ใชตอนนัึนงั้นเราเข้าบ้านต้องมีบิสมิลลาอัสสลามุอะลัยกุมไม่มีใครกับอัสสลามุอะลัยนาวะอัลัยบัดิลัยซอลิฮินมีมเลกัดในบ้าน ให้สลามเมลิกัดมีคนให้สลามกี่คนไม่มีคนอัสลามวาเลนาวาไลบาดินไลซอลีนให้สลามกับบรรดาเมลิกัดที่อยู่ในบ้านเราได้บุญไหมได้บุญสองได้แบบจากนาบีสามไม่ยอมให้ความคิดอื่นมาแทรกสิ่งเหล่านี้ไม่จะเข้าไปพุ่พวกเราอ่ะพุ่ง พ, ง พ, งพงต่อไปมันขอเครื่องดื่มมันจะดื่มอะไรอ่ะเราก็บอกว่า เครื่องดื่มของท่านของเองก็คือสิ่งที่ทําให้มืนเมาอะไรก็ได้ที่มืนเมาจะดื่มแหงดื่มนม้ําดื่มสดนั่นแหละอาหารของไชตอนแยน่นี้ดื่มแห้งก็ยาบ้ายาเมามุสลิมก็เยอะมันเจ็บปวดที่ก็บอกว่ามีโดมที่ไหนมียาบ้าที่นั่นแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยทําไมมันทําลายความคิดสติปัญญาไปยุ่งกับมันทําไมใช่ไหม รวมทั้งบุรีด้วยเคยบอกบุรีด้วยคนยาสูบว่างั้นกูไม่บริจาคละเนี่ยมันมันเป็นเสพติดเดี๋ยวในนี้กลุ่มชนมุสลิมยาเสพติดระบาดมากที่สุดคนเอาแต่ได้ไม่ค้าขายเนื้อกัส่งเนื้อยัดยาใสา่ก็ไปในก้อนเนื้อรวยกันเละแต่สังคมแย่ขาดความคิดข่าวส ต, ติปัญญาไม่เป็นผู้เป็นคน มันก็บอกว่าอะไรที่มันต้องการจจระลื่นหูเป็นความสุขเนี่ยคือมันจะเอามันขอด้วยมุสลิมก็มีความสุขพราะได้ยินเสียงอาดานลอยวะคุบา์ร้องหูอันคุบาร์โอ้โหมีความสุขอัลฮัมดุลิลละไก่ก็ร้องขันหมาก็เห่านี้แต่เราเครียดบางคนเครียดอาวีละนะอัลลอฮบอกว่าเสียงแห่งความสุขของ มึงก็คือพวกเครื่องดีสีทีเป่าอุปกรณ์ดนตรีนอกจากกลองหน้าเดียวที่เราตีมีกลองหน้าเดียวอย่างนั้นได้อุปกรณ์ดนตรีนะนั่นคือความสุขของไสยตอนเอามุสลิมไม่ทันสมัยอ่ะทันสมัยแต่มีขอบเขตไงก็ตีกลองหน้าเดียวสิปิดกลองชิงเนี้ยได้พวกกีตาร์พวกอะไรงั้นอุลมามะบอกว่า เครื่องใช้เหล่านี้ถ้าเราไปทำเสียหายไม่จำเป็นต้องด่อมาไม่ต้องเป็นต้องชดใช้เพิาะคินของฮารอมนี่ชายตอนจำไว้มันก็บอกว่ามุสลิมที่ศรัทธาต่อระออ่านคุรานแล้วมันจะอ่านอะไรละ่ะที่เป็นความสุขของมันเพราะมุสลิมอ่านกุรานมีความสุขมันจะอ่านอะไรรอยกว่าอ่านบทกลอนต่างๆนั่นแหละความสุขของเอง ก่อนนู่นก่อ น, นี่อะไรก็ตามที่ไม่ได้อิงกับความเชื่อที่มีต่อหรอกนะมันก็ขอต่อไปว่ามุสลิมก็มีสั ญ, ญลักษณ์ของเขาเขาเจอกันก็ให้สลามพอได้เวลาเขาเริมมาเขามีสั ญ, ญลักษณ์ของการพบป่าเจอเจอเขายิ้มเข้าอะไรก็มีสั ญ, ญลักษณ์มันขอสั ญ, ญลักษณ์ของมันด้วยเาลาบอกรอยสักนั่นแหละคือสั ญ, ญลักษณ์ของพวกมึง งั้นรอยสักตามตัวตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของไชยตอนที่มุสลิมบางคนนิยมเอามาสักที่ตัวอ่าบางสีสักหัวใจข้างขวาพ่อหน้าอกขวาพ่อหน้าอกซ้ายแม่ข้างขวาอัลลอฮ์ข้างซ้ายมูฮัมหมัดนี่คือสัญลักษณ์ของไชยตอนนะอ่ามันบอกถ้าเรื่องพูดแล้วมันจะพูดยังไงมุสลิมก็พูด กาลิมาตอยีบ้าพูดดีได้ซะแล้วก็เกาลุมบินมารูพูดก็พูดสิ่งที่ดีไม่พีไม่ดีอย่าพูดอย่าพูดทุกอย่างและอย่าพูดทุกอย่างอย่างที่เราคิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็พูดอย่าเรานึกขึ้นมาได้อย่าเพิ่งพูดคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดีเสียบุญหรือไม่เสียบุญทําให้ใครเสียหายไหมเป็นการสร้างสรรค์ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าจะเอาเรื่องพูดให้มึงพูดเรื่องโกหกโกหกโกหกโกหกก็แล้วแต่งานโกหกเป็นการพูดของชัยตอน ถ้าจะโกหกอย่าพูดแต่ถ้าโกหกให้ดีได้โกหกให้ดีได้โกหกว่าคือทะเลาะ ก, กันสองคนบอกเนี่ฮนญะาญี่ฝากสลามถึงเธอด้วยนะไม่เจอนานแล้ววันนั้นเขารู้สึกว่าเขาโกรธไปนิดนึงวันนี้เขานึกได้แล้วฝากเงาะมาให้ด้วยอ่าเ น, นี่โกหกเพื่อให้ดีกันเนี่เพื่อเป็นการปลองดองงี้ได้โกหกในสงครามได้ เวลาสงครามครับเขาสื่อสารมาว่ามีทหารเท่าไรปืนใหญ่ตรงไหนไม่ต้องบอกตรงตรงมีสหาภาพบางคนผมงอไปแล้วออกสงครามนาบีบอกให้ย้อมผมย้อมเป็นสีดําเพื่อให้สตุรีเห็นว่าเป็นคนหนุ่มนี่โกหกในยามสงครามได้อะ อ, อบูกราฟาเนี่ยโกหกในยามสงครามมันได้งานสงครามมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงอย่าเชื่ออะไรฝ่ายใดเท่านั้นก็โกหกเท่านั้นแหละ เรื่องอะไรจะบอกข้อมูลที่เป็นจริงศัตรูก็ทำลายได้อย่างถูกต้องดิสามโกหกบางเรื่องกับภรรยาเพื่อให้สบายใจเช่นซื้อปากกามาหมื่นสามมองบางมองบางไปที่มากาหมื่นสามภรรยาถามบอกโอสี่พันให้เขาสบายใจผู้หญิงก็เสียใจไงเนะนี่ยก็โหกให้สบายใจได้ มันก็บอกว่ามันต้องการสื่ออะไรที่จะทำให้มันสบายใจรู้สึกอะไรดีๆบ้างของเราะถ้ามีความรู้สึกกัดกลุ้มอ่านคุณอ่านรู้สึกไม่สบายใจอ่านุณอ่านเสกคุลร้อมันจะทำให้เราสบายใจมันบอกมันต้องการสบายใจทำยังไงเราบอกมึงไปหาหมอดูให้ไปหาหมอดูหมอดูจากทีบายทายทัดมันจะสบายใจนี่คือทางของไชยตอน แล้วมันก็บอกว่าต้องการจะมีความสุขแบบที่สุดเลยอะ่ะต้องการอะไรที่เป็นความสุขที่สุดเราก็บอกว่าผู้หญิงทั่วไปต้องกับแรสติกเกอร์ทายรถสิบลอ้อเราหญิงหนึ่งใน ด, ดวงใจหญิงทั่วไปกําังชีวิตนี่คือชายตอนของเราหญิงก็คือภรรยาของเราไม่ใช่คนอื่ น, ไ ม, ไ, นมไม่ใช่ใครก็ได้นะมุสลิมไม่ใช่ใครก็ได้นะและผู้หญิงกับสามีไม่ใช่ใครก็ได้ ไม่ใช่งั้นสื่อลามกต่างๆที่มีอยู่ในลายอยู่ในเน็ตต่างๆอะไรเนี่ยเป็นของฮารอมอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวมันจะกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกแบบชายตอนแล้วจะคิดว่าหญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตนี่ไงคือสิ่งที่ชัยตอนร้องขอเมื่อมันถูกขับไล่นะเป็นคุณมมันโอ้นุนถูกละนะ่ะอ่าเพราะว่าจะไม่สูงล่ะแม่จ่าพระยั ง, งคมืนเลย เพราะว่าพระใช้ชีวิตผิดธรรมชาติคนที่ใช้ชีวิตผิดธรมดธรมชาติที่อัลลอฮ์สั่งจะทําความผิดคนเราอัลลอฮ์สร้างมาเติบโตมีความรู้สึกมีความอิม่มมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อถึงวันหนึ่งความต้องการที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมาให้เป็นพวกเราเป็นอิคอลีฟะตุนอัตจะต้องมีอุมมะของนบีที่เป็นตัวแทนบนแผ่นดินนี้ที่จะสืบท อ, อดอิสลามใช่ไหมงั้น มีความต้องการให้แต่งงานตอนนี้ไอคนที่มาฉาญมุสลิมมีความต้องการอาหารการศึกษาสมบูรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสมบูรณ์มีความต้องการทางเพศแต่ว่าศีลห้ามแต่งงานท้ายสุดก็ฝืนความรู้สึกของของชีวิตของธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องแอบไปมีเมียไปอะไรปั้มสีโกงสี ก, สกาที่เราเห็นกันอยู่ของเราไม่มีเรา อ, อิมัมไปปั้ม hm, สีกามีอิมัมไหนไปปั้ม hm, สับรูนนะั่งไม่มีหรอกมีประวัติที่ว่าคน คนคนหนึ่งอยู่ในมัสยิดแล้วมีผู้หญิงมาจากไหนก็รู้ไปไหนไม่ถูกก็มาพักที่มัสยิดอิหมามอยู่ในมัสยิดก็อยู่กันตัวต่อตัวโดยลําพังสองต่อสองถ้าคนใต้ประมาสี่คนนะอยู่กันสองต่อสองแสดงว่าสี่คนแล้วอยู่กันสองต่อสองคือสองคนอยู่โดยลําพังอิหมามก็คุมอารมณ์ของตัวเองว่าวกลัวจะไปมีความรู้สึกที่เป็นมัศยักกับผู้หญิงก็ จุดเทียนแล้วอามือก็นลนไฟพอร้อนก็นออกมาเดี๋ยวก็นลนนี่ลุนกันทังสว่างคนเรามันโดนความร้อนไอความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไงนี่ยเขาแปลงความรู้สึกนะให้เปลี่ยนไปจะได้ทิ้งมาเสร็จอยู่กันร้หงพังสองต่อสองอะ่ะคิดดูซิอาจจะละเมิดทางเพศก็ได้นี่คือวิถีการป้องกันของคนคนหนึ่งที่มืเอเล่าบอกให้เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเอามือลนเทียนร้อนก็น จะได้ไม่ข่มขืนอย่างนี้เป็นต้นงั้นพี่น้องพูดถึงตรงนี้ปึ๊บเราต้องมีของดีประจําตัวนะเราต้องมีอามันงที่ดีประจําตัวเราเพื่อววันหนึ่งเราเกิดวิกฤตสําหรับชีวิตเราจะได้แต้วัดซุนได้แต่วัดซุนคืออะไรอ้างความดีเหล่านั้นว่าโอ้อรลอถ้าความดีที่ฉันทําเป็นที่ตอบรับนะอรลอแล้วขอสิ่งนี้แต่วัดซุนต่อพระองค์เหมือนคนอยู่ในถ้ำ แต่วัดซุนของคนหนึ่งคนสามคนอยู่ในถ้ำแต่วัดซุนของคนหนึ่งคืออะไรทาความดีต่อพ่อแม่เอาเหตุผลตรงเนี้ยอ้างต่ออัลลอฮ์ฉันทําความดีต่อพ่อแม่ความดีนี้ขอเล่าจะให้ประตูถ้าเปิดเลื่อนอีกคนหนึ่งจะทําดินาแล้วผู้หญิงว่าดินามันบาปให้กลัวอัลลอฮ์แอินเนียร์ขอฟุรอฉันกลัวอัลลอฮ์ก็ไม่ทําดินาการไม่ทําดินาเป็นความดีก็อ้างความดีตรงนี้ว่าวันที่จะทําดินาแล้วไม่ได้ทําดินาเพราะกลัวอัลลอฮ์ ความดีตรงนี้ขอรอดแก้ปัญหากับเราถ้าก็เลื่อนไปอีกและอีกคนหนึ่งก็คือว่าเป็นนายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างลูกจ้างมันจากไปก่อนแต่นายจ้างไม่โกงค่าแรงแต่เอาค่าแรงที่ตกค้างเหล่านั้นมาสร้างความเติบโตให้กับลูกจ้างโดยการได้ไปซื้อแพะมาซื้อแพะซื้อแกะมาก็ออกลูกออกหลานแพมออกมีละสองครั้งเป็นฝูงใหญ่แต็ไมไหมดเลยวันหนึ่งลูกจ้างมาทวงค่าจ้าง นายจ้างก็บอกว่าแพะที่เป็นฝูงใหญ่ตรงนูน้นคือค่าแรงของคุณที่คุณไม่ได้เอาในวันนั้นไอ้นั่นก็อร่อยดี้เหมือนกันต้อนไปหมดเลยไม่เหลือว่าสักตัวของมันก็อ้างความดีตรงนี้แต่วัดซุนต่ออัลลอฮ์ว่าให้ประตูถ้านั้นเคลื่อนประตูถา้าแล้วก็เลื่อนออกไปสามคนก็ออกจากถ้ำได้งั้นถึงบอกว่าเราต้องมีอิบราฮิพิเศษสําหรับเราเพื่อวันหนึ่งวิกฤตเกิดกขึ้นกับชีวิตจะได้เป็นข้ออ้างต่ออัลลอฮ์ในการแต้แวัดซุน พ่อแม่มีไหมทำความดีต่อพ่อแม่สามีไม่ไหมทำความดีต่อสามีอะไรที่ดีๆทํำฮะอ่านกูอ่านเยอะๆทําไอ้นินทาอย่าไปสนใจนินทาสายร้ายคืออะไรดิสเครดิตคนอื่นถ้านินทาสายร้ายวันกิยามาเราว่าจะเป็นคนที่ล้มละลายในวันกิยามาคนล้มละลายคืออะไรทำความดีครบถ้วนสมบูรณ์หมดแต่อะไรดอระบาฮาดาทําร้ายคนอื่นด้วย ด้วยไร้ด้วยความเจ็บทั้งร่างกายด้วยจิตใจทําร้ายคนอื่นบุญถูกลื่นไหลไปสู่คนที่ถูกนินทาถูกทําร้ายสองฉัาตรมหาดาดาคนอื่นเราได้รับบุญไอ้คนด่าบุญมาให้เราถ้าบุญมันหมดมันเอาบาปเราไปสามกอาาร์าสาฮาดาใส่ร้ายคนอื่นหนดอลบ่าทำร้ายสองฉัาตามราามดาดาสามกอร์สาใส่ร้ายสิ่งเหล่านี้อย่าออกไปจากปากของเราเพราะมันพูดง่าย ใส่ร้ายทำง่ายแต่ว่าบาปมหาศาลจะเป็นคนที่ล้มละลายในวันกียรมาเก็บปากไว้เก็บความรู้สึกไว้อย่าปากค่อยไปทำร้ายเขาเด็กทำผิดหน่อยนึ่งโห้ยทำปากกาหายปกากกาโรงเรียนตีตั้งครึ่งหลูเกินไปนี่ทำร้ายตอนอยู่โรงเรียนตอนอยู่วัาป่ามันมีคองคองประเวท มีเรืออีสุสูวิ่งนักเรียนก็วิ่งไปดูเรือม้าก็วิ่งไปดูที่หน้าต่างคูตีหมดทั้งชั้นเลยผมยังจําได้เลยผมก็โดนตีด้วยเด็กมันว่าไงมะไม่ใช่เรือมันสักทีนึงเรือคนอื่นวิ่งในคลองกูวิ่งไปดูแม่งก็ตีกูได้เออเรือมันก็ไปสยา่างเรือคนอื่นทแท้แท้นี่แหละเราบาารา้าละนะทําร้ายคนอื่นตีคนอื่นโดยโดยไม่มีเหตุผลนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ บอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้แต่นี้คุณอ่านอายะในวันเนี้ยมาตรงนี้ยังไม่พูดเลยอัลลอฮ์ส่งนบีนัามายั่งกลุ่มชนของเขางั้นทุกกลุ่มชนต้องมีผู้บอกอิสลามมาว่านาซีรุมมมบินมาเตือนนะมาเตือนมาเตือนว่าอะไรที่เป็นความผิดบอกให้ทิ้งอะไรที่เป็นความดีบอกให้ปฏิบัติแต่อัลลอฮ์ก็จัดระบบกลุ่มเหล่านี้ให้มีมัสยิดตามชุมชนต่างๆ นี่นี่คือระบบอัลลอฮ์ดูสิความฉลาดอัลลอฮ์ให้ให้มีมัสยิดและใครเป็นผู้นำอิหม่างเป็นผู้นำให้มีบ้านให้มีแต่ละบ้านมีสามีภรยาใครเป็นผู้นำสามีเป็นผู้นำใครทำหน้าที่สั่งสอนอย่างใกล้ชิดกับลูกภรรยามีหน้าที่สั่งสอนนี่นาซีรุมูบินเตือนแล้วเป็นการเตือนงั้นภรรยาไม่ได้ไหมายความว่าทำอาหารให้ลูกกินอย่างเดียวแต่สิ่งที่ต้องให้คือจิตวิญญาณสำนึกอิสลามที่มีต่อเราต้องมี แบบอย่างนาบีต้องมีตื่นนอนมาไม่ใชา่อารุขตื่นแล้วนะขาดอะไรขาดการแก้ปมชัตอนสามปมแก้ให้ลูกอย่างเช้านี้แก้อะไรอาดอาตื่นมาอมดุิลฮิลีลลลอา ย, ย า, าบะดามะอามะตานาวะอิละหินุชุดแรงปมนึแล้วหลุดอีกปมแรงอาบนะละมาด ไปล้างหน้าล้างตาอับดัละหมาดลุดอิปลมหนึ่งอิปลมหนึ่งลุดต้นไหนตอนละหมาดซูโบนี่สามปมคุมพฤติกรรมของตัวเราและลูกแล้วปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างให้ลูกได้สืบสารวันหนึ่งลูกเปลี่ยนแปลงเพราะเห็นตัวเราปฏิบัติแบบนี้เราก็ได้รับผลบุญตายก็ได้รับอยู่ก็ได้รั บ, รบนี่คือแบบอิสลามไม่ใช่เอาอยู่แค่กินแค่นอนนั่นเป็นเรื่องสัตว์อิบาดาไม่ต้องละหมาดไม่ต้องควาย ไม่มีคำสั่งให้ควายละหมาดเอออย่าไปเลี้ยงหมาหมาเลี้ยงได้ถ้าดูแลสวนดูแลสัตว์ต้อนสัตว์เลี้ยงได้ไว้เลี้ยงหมาในบ้านเนี่ยคุกคีกับหมาน บ, บีห้ามพันธุ์ดีๆกัดเจ้าของไปกี่คนแล้วเราเลี้ยงแมวแมวเป็นอะตาวาฟีนมันจะวนเวียนอยู่กับเราเป็นสัตว์ที่น่ารักหมาเนี่ยโน่นเลยอยู่นอกบ้าน อูรับรัวนุ่นดูแลสวนดูแลแร่ต่อนงวต้อนควายต้อนอูดเออเงินได้เดี๋ยวนี้สังคมมันเลวร้ายถ้าพูดเราจะว่าหยาบมันเอาหมาทําผัวเดี๋ยวนี้มีสังคมที่ไม่ศรัทธาต่อเล่าเอาหมาทําสามีก็มีนี่คือกระบวนการที่ไม่ใช่อิสลามที่มันแทรกมาในความรู้สึกว่าเป็นความทันสมัยอัพทปเดตทันสมัยแล้วเป็นยังไง ทำไมตามให้รายละเอียดเพราะเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้สึกอารมณ์ของมนุษย์นะอัลลอฮ์รู้สึกอารมณ์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นส่งนบีนุ่งมาก็มามาบาลักนะจีรุ ม, มุบินตักเตือนผู้ที่ไรทรยศอย่างแน่ชัดตักเตือนแบบชัดๆจากกระเทือนความรู้สึกก็เตือนแบบชัดๆเรามีไมนะบิลมาเตือนมีหาดิสมาเตือนเราทุกวันนี้นะจีรุ ม, มูบิน ต่อไปมาเตือนยังไงอัลลอฮ์ตาบูดูอิลลอห์อย่าไปอิบะดาต่อใครนอกจากอัลลอฮ์อง์เดียวตาบู อ, อิบะดาคืออะไรอิบะดาคือเฟะลุกุลีมาอย่าตะก้อนเบูเบล้อทำทุกสิ่งที่ทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เดีวยว่าอิบะดาอย่าไปทํากับใครนอกจากอัลลอฮ์องเดียวสิ่งที่ดีๆซูยุต่ตออัลลอห์เราก็ต้องลิลลแต่ทุกอย่างอ่านกุนอ่านลิลละเพื่ออัลลอห์ ถ้าวันหนึ่งอ่านกูอ่านมีใจนึกว่าไงนะอยังมีคนนึงอ่านกูอ่านเวลาอ่านกูอ่านใจนึกว่าเพื่อจะกรบเสียงรองเท้าที่เดินมาใจนึกว่าเพื่อจะกรบเสียงรองเท้าของคนที่เดินมาหน้าห้องถามคนนั้นได้บุญไหมไม่ได้บุญไม่ได้อ่านเพื่ออัลลอฮฺแต่อ่านเพื่อจะกรบเสียงรองเท้าที่เขาเดินผ่านหน้าห้องเรานี่ไม่ได้บุญงั้นจําเป็นอย่างยิ่งคือลินและอะไรต้องอัลลอฮฺนะ ต้องลินแล้วไม่ใช่หน้าตาแต่ว่าความเป็นหน้าตาหรือความรู้สึกของความเป็นมิตราภาพมันเกิดขึ้นจากการเราทำเพื่ออัลลอสุบะตาลานั้นท่านยายอิบาดะเคารพผู้ใดนอกจากอัลลอนะอินอ น, นีอัคอฟุอะลไลกลุมอัลาบายามินอลิมแท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่านถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวดนบีนะ่ะกลัวแทนเรานะ น บ, บีมีความหวั่นเกรงกลัวแทนพวกเราเพราะน บ, บีเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะตอนที่น บ, บีอิสลามิราดเห็นเลยคนกินดอกเบี้ยเป็นยังไงคนดีนาเป็นยังไงคนนินทาใส่ร้ายเป็นยังไงอ๋อเราเลยยกตัวอย่างของคนที่ถูกลงโทษให้น บ, บีเห็นน บ, บีก็เห็นทั้งหมดก็น บ, บีก็เอามาบอกเอามาสอนเรานะเห็นด้วยตาเห็นด้วยตามันอยาเกณฑ น, นะแต่เราต้องต้องอยาเกณฑมั่นใจ เพราะนาบีเอามาบอกแล้วอัลลอฮ์ก็บอกให้เราได้ปฏิบัตินี่นบีเนาะมาประกาศอิสลามนาบีอื่นก็ประกาศในแนวนี่แหละถ้าอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์ตอนนี้ดูเวลาประกาศอิสลามไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อิสลามจะเดินไปด้วยความเรียบง่ายมีการต่อต้านจําไว้อัลลอฮ์บอกว่า فقال ا ل م ل أ ُ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا م س ل َ ا ผู้นำของคนปฏิเสธศรัทธาเขาจะกล่าวว่าเราไม่เห็นท่านเป็นอื่นใดนอกจากสามัญชนเช่นเรานาบีนู่นกับคนแบบเราเลยวะมันจะอะไรนักหนาแต่นึกถึงไม่ว่าเนื้อหาที่นบีนู่นอมาประกาศเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ เขาจะไม่พูดสิ่งใดนอกจากวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทุกนบีทุกระซูนเหมือนกันวะมายันติกลออนนินทวาจะไม่พูดตามอารมณ์ความรู้สึกอินหัวอิลลาวาอยูอิย่าเว้นแต่สิ่งที่พูดนั้นเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิน้นถึงจะพูดไม่งั้นไม่พูดงั้นเราก็วาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ถึงจะทําไม่งั้นไม่ทำถ้าอัลอมีวาฮีผ่านนาบีนบีผ่านสอนมาถึงเราเราถึงจะทํา แต่ใครมาบอกที่ไม่ถูกหลักการอิสลามเราไม่ทําซต้อนมาบอกไม่ทําเพื่อนมาบอกที่ขัดแย้งต่อเราไม่ทําขัดใจเพื่อนดีก็ขัดใจคําสั่งของอัลลอฮ์มาตรฐานเราเข้มแต่เราไม่ก้าวา้าเราเข้มในใจเราแต่เราไม่ก้าวเราพูดภาษาดีๆกับเขาแต่เรามีความแก่งพอที่จะรักษาอิสลามไว้ได้นี่คือการอยู่ในสังคมแบบอยู่แบบรอดงั้นมันจะอ้างว่าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราละ่ะ แต่มนุษย์ที่เหมือนกับเราก็เป็นรลอซูลจากอัลลอฮ์อัลลอ์ส่งมาว่ามานะรอกาตาบะกาอินละีนะฮุมอรซิลูนะบาดีละบาดีรว่ามานะรอลกุมอลน่ามินฟลิบัลยะซุนลนั้นซุนกุมกาิบวิธีการตําหนิคนเนี่ยมาว่าไงอ่ะ ก็เป็นสามัญชนเช่นเดียวกับเราแหละแล้วก็กล่าวร้ายว่าคน เ, เ, นคเหล่านี้มีความเห็นแบบตื้นตื้นเป็นผู้ตามช้ามีความเห็นแบบตื้นตื้นและเราไม่เห็นว่าพวกท่านประเสริฐกว่าพวกเราแต่เราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโกหกนี่ไงไม่เชื่อเขาแล้วยังใส่ร้ายเขาว่าเขาพูดสิ่งที่เป็นความเท็จนี่คือนี่คือบทของโลกที่ไม่มีอิสลาม เขาเอาของดีมาใส่ราเขาแล้วก็บอกมันพูดโกหกใส่ลาเขาอีกตำหนิเขาแล้วก็ใส่ลาเขางั้นเมื่อเราอยู่กับความดีเราพูดความดีความถูกต้องใครตำหนิเราใครใส่ลาเราอย่าหวั่นไหวเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจอกับเราอย่างเดียวแต่เจอกับนบีก่อนหน้าเราและท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ามเจอยิ่งกว่าเราเป้นนบีท่านสุดท้ายที่เจอสิ่งต่างๆเป็นบทสรุปของความเลวร้ายที่นบีเจอ แต่น บ, บียี่ยัดอิสลามอยู่ได้พร้อมกับซอฮาบะเพราะมั่นในศรัทธาที่มีต่อองค์คิดดูเวลา ย, ยึดมะกาได้มุชริกินที่อยู่ในมะกาที่แผ่นดินทารอมคิดว่านาบีจะเอาคืนก็ลบซ่อนต้องมุมต่างๆคิดว่านาบีจะเอาคืนเพราะอะไรขับไล่นบีจากมะกาไปสู่มดินนะแล้วนบีที่เกิดที่มะกาใช้ชีวิตที่มะกาตั้งสิบสามปีมีความคุ้นเคยกับแผ่นดินมะกามีความรักมีความคุ้นเคยกับแผ่นดินมะกา นึกถึงอลัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดไม่ต้องกังวลวันหนึ่งอลัลลอฮ์ใจท่านกลับมาเพื่อหยุดมากลับมาพิชิตมาการได้อินนารอ ด, ดูการอิลามา อ, าอลัลลอฮ์ใจท่านกลับมาอย่างมาการได้ที่เดิมสินฐานเดิมแล้วก็นบีได้กลับมาในปีพิ่แสตของเดือนอามาดอนมายึดมาการได้ทันทีที่ยึดมาการได้พิชิตมาการได้อิดายาอนาันนัสลารันฟัตจุอา น, นานบีได้ปฏิบัติภารกิจของความสําเร็จเหล่านั้นไม่ได้เอาคืนครับ แต่นะบีทำอะไรอัลลอ์บอกฟาับิ บ, บิฮัมดลอรบิกะวัสตัฟิอินนูกนัตับะบีตัสเบียต่ออัลละ์และขออิสิกฟาต่ออัลละ์สุบฮานัลอลร์อัสซาฟุลอรเอาคืนไหมไม่ได้เอาคืนความเลวร้ยายที่ถูกสั่งสมนบีลืมหมดแล้วปฏิบัติอิสลามตามที่อัลลอ์สั่งกุณอ่านสั่ง นี่นี่อะไรอิซาจะอันน่าสุลฟันในปีที่แปดของรอมฎอนในเดือนรอมฎอนด้วยงั้นเราไปรอมฎอนะอุ้มรอรอมฎอนแม่มี ม, มีรสชาติอุ้มดอเรืองธรรมดาไม่มีรสชาติเท่าไหรนะเดือนธรรมดาละมาอิซาเสร็จจะมาอาจบละมามะกร็บจะมาอาจบกลับมาที่พักใกลดีก็ตะวามแต่รอมฎอนมีตะรอเวียโอ้โหตะรอเวียอิหม่ามอันดี กิยามุ่เลยอีกแต่ตอนท้ายอีกโอ้โหมาชาอัลลอฮ์อ่านเพราะมากผมฟังสุเดชโนอาผมยังนึกว่าเอนี่จะต้องนั่งใช่ไหมมึงโอ้โหอา่านนานมากนะเพราะอะไรผู้ที่อ่านเล่มเขารู้มากรู้เยอะเนะี่ยเขาห่วงใ ย, ยประชาชาติพูดถึงปาเลสไตน์พูดถึงซีเรียพูดถึงอะไรต่างๆที่มุสลิมทั้งหมดทุกวันนี้ถูกซ้อนเล่มเพราะอะไรเพราะกลลวงของยา่าพูดแล้วกันนซรอ แผนการต่างๆจะเป็นการตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างซาอุดีประเทศต่างๆกับก็ต้องกาตาเนี่ยมันแผนของยูฮุนนาซารอหมดเพ่อพูดเนี่ยเบียงเบนใช่ไหมยิวมันบอกแรงอุเซตอิฟนุลลองอุเซตเป็นลูกของอัลลอฮ์คริสเตียนมาบอกอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์มันเบียงเบนใช่ไหมมีอัลลอฮ์มีลูกหรออัลลอฮ์ลามยาลิดว่ลามยูรัดอัลลอฮ์ไม่มีลูก เลาไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ถูกเบียนเบนแล้วยังฝังความรู้สึกว่ายู you นะ่ Yahoo, นะยากูดียูน่ะจะไปทําอะไรกับใครอ่ะถ้าตกในรกกับแป๊บเดียวมีเส้นนี่ไงมีเส้นเนี่ยถูกเบียงเบนมาตลอดแต่ว่าเมื่อโลกอยู่ในระบบของยิวแล้วก็ไม่มีใครปกป้องมุสลิมงั้นใครจะรักมุสลิมเท่ากับมุสลิมงั้นเราต้องมีความรักในพี่น้องมุสลิมจะจนจะรวยเขาเป็นผู้ศรัทธาต่อเราเหมือนกัน อย่าแบ่งความรู้สึกว่าเขาจนเขารวยแต่แบ่งความรู้สึกว่าเขาตั้กว่าต่อเรามากกว่าเราเอาเขาเป็นแบบอย่างอย่างนี้เป็นต้นอ่านไ็มว่าก็ใส่ไายด้วยไม่เชื่อแล้วก็ใส่ไา ย, ายแล้วบอกว่าคุณเป็นคนโกหกงั้นกล่าวว่าใครเป็นคนโกหกเนี่ยสำนวนของเขาตอนอบลเบีได้รับวะฮีเป็นดาซูนมูฮัมหมัดบ้าไปแล้วมูฮัมมัดถูกใส่ยาศาสตร์มูฮัมหมัดมึนไปแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นนโมฮัมมะจะอยู่ตังไหนเรียกนายบิวมาร์วะอัลอามีนผู้ที่ไว้วางใจได้แต่เมื่อออิสลามมาประกาศเป็นสายศาสตร์ทาไมเพราะเขาเสียผลประโยชน์เขากาบไหวรูปปั้นทั้งหลายรอบใบตุลอรอบกาบะจะไปทําการค่าไหวรูปนี้บูชายันรูปนี้จะทําอะไรออกรบบูชากายอะไรรูปพั้นรูปจวเจวีตรูปนี้มันเป็นจวเวีที่มนุษย์ทําขึ้นเราตัางหากเป็นผู้ทํามันมา แล้วก็เราก็ไปสยุตต่อมันไปเชื่อต่อมันนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่มันมีจเวิตบางตัวตอนเช่ายังเป็นปูนอยู่เลยพอตอนเย็นทาสีปุ่งนี้เป็นเจ้าแล้วเยอะแยะไปมนุษย์ทําขึ้นมาแล้วคิดว่าสักสิธ์สักิ์สิิสักสิ์ใชตอนนี้ด้วยให้เกิดปรากฏการอะไรได้ได้นี่นี่คือความอะไรความหลงผิดอัลลอฮ์บอกมนุษย์ไม่สูยูต่ต่อวัตถุแต่นําวัตถุมาใช้ประโยชน์ มาสนองต่อผลประโยชน์เราเราไม่ได้บูชามันมีต้นไม้ไม่ไดบ้บูชาต้นไม้แต่เอาประโยชน์จากต้นไม้มาเลี้ยงดูเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษย์เรามีก้อนหินไม่ใช่เอาก้อนหินมาบูชาแต่เอาภูเขาเอาก้อนหินมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์เอเลาสร้างมาเวลาที่เขละก็ละกุมมาฟินอัตติจามีอาเร า, าทั้งสุกทิ้งมาเพื่อประโยชน์สําหรับพวกท่านไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราได้สู่อีบาดะนี่คือคําสั่งที่ชัดเจน นบีนุ่เจอเหตุการณ์ต่อไปอีกว่าก็ยาเกามีนบีนุ่ก็กล่าวว่า oh, an, me, โอ้หม um um, um um uh um ูชนขันฉันยาเกามีคือยาเกามีโก็กลุ่มชนขันฉันอาราไอตุมอินคุนตุอัลาบยนติมิรบบีว่อตานรห์มะตัมมินอินดิฮีฟาอุมยัลอะลัยกุมอันุลซิมุคุมูฮะว่อันตุมละฮการิฮุน นบีนนกลว่าโอ้หมูชนขันฉันเอ่ยพวกท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าหากฉันมีหลักฐานอันชัดเจนระหว่างพระเจ้าชัดเจนจากพระเจ้าของฉันและพระองค์ทรงประทานแก่ฉันซึ่งความเมตตาจากพระองค์แล้วได้ถูกทําให้มีคนให้ทำให้แล้วได้ถูกทํา ใ, ให้มืดมนแก่พวกท่านเราจะบังคับท่านให้รับมัน ท, ทั้งทั้ที่พวกท่านเกียดชังมันกันนั้นหรือ นี่คือสิ่งแปลปอมที่ยัดเยียดเข้ามาให้เราได้หลงผิดในทุกยุคทุกสมัยงั้นวันที่นบีนัวต่อเรือคนก็นยเยะาะเย้ยนบีนัวว่าอะไรอยู่มันโบกอยู่มันแห้งมาต่อเรือทําไมใช่ไหมมีนัวต่อเรือเพราะอลอบอกว่าถ้ามันไม่เชื่อวันหนึ่งอลัลลอฮ์จะทําลายก็ต่อเรือท้ายสุดคนที่มาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็มาอยู่บนเรือแต่มีลูกนบีนัวคนหนึ่งไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ บนะะบีนัวก็เลยยาบูน่ายาดกรรมมาอนาโอลูกรักโปดได้ขึ้นมาอยู่บนเรือกับเราเถอดลูกตอบเป็นไงลูกไม่ยอมขึ้นมาอยู่บนเรือเพราะเมื่ออยู่บนเรือปุ๊บมีนายาว่าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่อนัวที่เป็นรสูนของอัลลอฮฺลูกไม่ยอมรับลูกของเราแท้แท้ลูกของนบีแท้แทไม่ยอมรับเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าระวังเรื่องลูกระวัง แล้วลูกว่าไงนะสาอาวีอิลาบาเยาเบินยาซีมูนีมินันมะฉันจะไปะอาศัยภูเขาอยู่ข้างหน้านู้นที่หวังว่าภูเขาจะทำให้ฉันรอดพ้นจากการจมน้ำตายพี่น้องได้มุมอะไรไหมคนถ้าไม่ศรัทธาต่อโลอจะศรัทธาต่อวัตถุไม่พึ่งอโลอพึ่งภูเขาเพึ่งก้อนหินไงงั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกพึ่งก้อนหินมาเป็นเจ้า เอามาทำเอามาก่อเอามาสร้างเอามาแกะสลักเอามาอะไรก็แล้วแต่แล้วกําหนดให้มันเป็นเจ้าแล้วไปขอ Allah ได้ล่ะขอ Allah สำเร็จผลล่ะสําเร็จผลเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาตอบแทนเพราะ Allah มีสิทธิ์พัฒน์ Allah มาร a l l a ทรงเมตตาจะเป็นสัตว์จะเป็นคนที่ศรัทธาต่อ Allah หรือไม่ศรัทธา Allah ดูแลทั้งหมด Allah เป็นรับบุญอาลามีนดูแลหมด Allah มารแต่ Allah ฮะอิหม์ a l l a จะให้กับมุหมินเท่านั้นในวันกียยามะแค่อ่านตรงเนี้ย บิสมิลลาฮิราะมานีราะฮิมก็เป็นการแบ่งโลกระหว่างดนยากับอาคิร้อยแล้วราะมานอัลลอฮ์ดูหมดจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ศรัทธาจะอาชีพไหนอัลลอฮ์ดูหมดแต่มีอายุที่จำกัด60ปี70ปี80ปี100ปีว่าไปตายแต่ราะฮิมนั้นขอสตุลินมุมีนี่ในเ ย, นยอรมนี亚มอัลลอฮ์จะให้การตอบแทนที่เป็นสวรรค์นั้นเฉพาะมุมินเท่านั้นในวันกิยามะ นี่ตัางหากที่เขาสู้กันระหว่างรมางกับรอฮีมมีดาย่างงั้นคนเสียงลูกร้องเสียงร้องเหมือนกับลูกมุสลิมและเสียงร้องมันจะบ่งบอกว่ามันหิวหรือมันปวดเจ็บป่วยให้เราสังเกตปู้อาวุบอกว่าถ้านิ้วมันงอแสดงว่าปวดท้องก็จําไว้ก็บอกเล่ากันไปคนจีน่คนกาเฟสหิวก็ร้องเจ็บปวดก็ร้องเหมือนกันไหมเหมือนกัน แล้วเป็นไข้ก็ตัวร้อนเหมือนกันมันกับตัวร้อนเราก็ตัวร้อนเหมือนกันใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คืออะไรล่ะฮีดายาเหล่าเนี้ฮีดายาที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันไม่เอามันก็ไม่เป็นทุศตาต่อหรอกชะดีอาของเรามันก็ไม่เอาที่เราบอกเพราะไม่เซตาต่อหรอกนี่คือความไม่เหมือนระหว่างมุสลิมกับคาเฟ่แต่ธรรมชาติของมนุษย์เริ่มต้นมาเหมือนกันเมื่อได้เวลาหิวก็กินก็กินเหมือนกันแต่เรามากปุ๊บกิน พาลา้าพาลอมไม่กินพาล้านแบบไหนอาหารแบบไหนเชื่ดหรือไม่เชืด่ดเป็นหมูเป็นลายหรือเปล่าเป็นสัตว์ที่มีพิจิบะนูดเป็นรายละเอียดพวกเรามีรายละเอียดอ๋อแบ่งส่วนเลยแบ่งส่วนเรื่องตลาดให้กับเราด้วยถ้าวันนี้อ๋อไม่แบ่งส่วนเรื่องตลาดนะหมูกินได้นะแขกขายเนื้อไม่ได้หรอกมันขายคนเรากินหมูหมดเพราะการบริการมันดีกว่าแขกไปบานทีหน้าบึง้งอย่างเราจะไปขอมัน เออเตะเตะหน้าบึง้งก๋วยเตี๋ยวแจ็คดูไ ม, มันเอาของแขวนเต็มหน้ากินใช่ไมของเราซ่อนในชักจะไปกินหนึมีหรือเปล่าเนี่ยมันเห็นหมดเห็นผักเห็นหญ้าเห็นแตงกวาเห็นเห็นหมดเลยของเราซ่อนเอาไปดันเอาผ้าอะไรก็ไม่รู้ฝ่าผู้ชายเก่าๆชุบน้ําปิด อ, อัลลอยากจะอ้วกมีวันหน้าผมคนเป็นพุทธทํางานด้วยกันโอ้โหเรียกผมญาติญาติญาตพี่กินก๋วยเตี๋ยวร้านมุสลิมอร่อยมากเลยกินไปสองถ้วย อร่อยมากน้ำเนี้ยมอร่อยน้ำดำพอพี่ขับรถออกมานะแล้วแกเอาเนี่ยขี้มูเช็ดผ้ากันเพื่อนโอ้โหยัดเชื่อไหมกินสองถ้วยพี่พี่อ้วกไปสี่ถ้วยทำไมไม่ใช่ผ้าขนหนูดีๆเอาผ้าเกา่าเกา้เกาเสื้อเ ก, าเกา่าเก้าพา้คีรีอะไรก็มาคุ้มถ้วยคุ้มจาน ท, าทาั้งทั้งเสี่หรอส่งมาเป็นบุคคลต้นแบบเรานี่เป็นบุคคลต้นแบบนะลืมหรอ คุณต้องคอออุมาอุครียาลินนาตา่างมรุนบินมารุวัตานดาวานินมุกการปะตูมินูนบิณละเราเป็นบุคคลต้นแบบแต่ไม่ทําแบบที่อลัลลอฮฺเ ล, ละห์ซูลบอกบอกถึงความสะอาดบอกถึงความเป็นระเบียบบอกทุอกอย่างเลยอลัลลอฮฺบอกเราเริ่มต้นต่ฮาระพอเรียนเรื่องสะอาดเราก็ไปสะอาดเรื่องอุจระปะสวะอย่างเดียวเลยไมนต้องดูด้วยความเป็นระเบียบด้วยเพราะฉะนั้นผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง ผมคงจะไม่ใช่ลูกค้าคนแรกผมไม่นั่งกินบร้า์มุสลิมให้กำลังใจด้วยชอบไปพ่อไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาตั้ง8ปดปีแล้วพอผมเกล็ดเส้นคนไม่มีเส้นเกลยดเส้นหมดเลยอะไรจะเป็นเส้นนมจีนกว๋วยเตีเ๋ยวเ ส, เส้นม้งเส้นหมีเกล็ดหมดเมือนนึกไ ง, ง, งเรไปกินกินครั้งแรกก็ทำแล้อร่อยแล้วผมก็บอกว่าต้องรับผิดชอบนะ เอาน้ำส้มน้ำปลาอะไรมาให้เขาเติมเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาลไม่มีพิษแต่ผมไม่กินน้ำส้มเขาตักสามช้อนยังไม่เปรี้ยวเลยสแสดงน้ำส้มดีถ้านน้ำส้มใบถูกๆนะครึ่งช้อนก็เปรี้ยวยันเปรี ย, ยวพีดแหละผมนั่งกินเสร็จแล้วผมก็บอกเกาไม่เอาตังค์ผมบอกขอบอกรายหน่อยได้ไหมขอได้ครับผมบอกว่ากวาดร้านด้วยนะใบไม้มันหล่นเยอะเรามีขี้ฝุ่นเขาบอกจริงๆแล้วกวาดทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้กวาด เพราะว่ามันเป็นภาพของมุสลิมเพราะมุสลิมต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นภาพตัวอย่างเลยผมก็กลับเขาจะว่าปากเสียก็ชัางมันเราทําหน้าที่เันต้องสะอาดสิ่งแวดล้อมต้องสะอาดงั้นเราต้องสะอาดะจะสกปรกเราจะเป็นตัวอย่างแก่คนเป็นคอยเราอุมมะเป็นอุ ม, มะที่ดีที่สุดถ้าเอาแบบอลัลลอฮ์มาบอกตามูรู้นบินมารูปจันทร์เนานินมงการประตูมินวนนบินละเราเป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยวันนี้ตัวอย่าง ผมขึ้แท็กซี่ผมจะด่าวาอิสลามกับแท็กซี่เสมอปา๋าบางคนเรียกพ่อเออวงพ่อกัสะดุ้งกันเเรียกป๋าพอไหวบางคนเรียกพ่อยามที่เรียนาศาสนาพ่อสบายดีนะเฮ้ยกูมันเป็นขนาดนั้นจะได้ด่าวาเขาบอกเนี่ผมวิ่งกระรอบมาตีสองยังไม่ได้เลยนะนี่ยได้ป๋าเป็นคนแรกผมก็บอกว่าความพยายามของมนุษย์มี แต่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่มีอำนาจเหนือเราที่จะควบคุมเราอ่ะดูสิเราวิ่งมาตั้งนาน่าจะได้แต่มันไม่ได้อ่ะมันต้องมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งกับตัวเราไหมความคิดเราไหมมันบอกก็คิดอยู่เหมือนกันนะมันน่าจะมีแต่มันเป็นอะไรล่ะมก็คิดนะเออป๋าว่าไงโอ้ก็คุยละว่าเรื่อยไปไอก อ, กอะไรนะ ไอ้สุมที่อยู่ในรถนี่ทําอะไรไอ้นี่แขวนคิดว่าเป็นยังไงไอ้ลูกนี่เป็นมันก็คุยดีแต่สิ่งเหล่านั้นที่แขวนในรถทั้งหมดอะลายอยารู้เรืองลายยำฟะให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้เพราะเชื่อเนี่แต่เขาเขาสู้ด้วยความเชื่อสู้เพราะอะเลาะมีสิฟ้ารอมานที่อยู่ได้ทุกวันนี่แต่อาอรา์เคโลเบ็ดเสร็จไม่ได้รับการตอบแทนนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลตัวอย่างทำอะไรต้องให้ดีสะอาดก็สะอาดไอ้ดำขาวชัางมันเถอะ มีคนเจอผมว่าเฮ้ยจานทําไมตอนนี้มึงดำวะบอกเฮ้ยมึงห็นกู้ขาวตั้งเม่อไรกูดำตังำต้งเด็กๆเรื่องก็จบไปกูดําตั้งเด็กๆแล้วสงสัยยังไงก็ว่ากันไปผมนะไม่เคยขาวครับอยู่อย่างนี้แหละมีฟันและขาวนะก็หมดยังเนี่ยอ้าแต่ไปอ้นานบินโน ก, ก็ยินว่ามีหลักฐานแล้วแต่สรุปแล้วคนเหล่านั้นไม่เชื่อก็คงจะไม่สมบูรณ์ทับซีธอะไรนะผมเล่าเรื่องอื่นเยอะนะ ก็ตัดทิ้งได้ไม่เป็นไรผมก็บวชอย่ามัดถ้าผมสอนคนไม่เข้าใจสงครามพุยามัดปรดโอมมาเลยเอาคนอื่นมาแทนเขาไม่ติดตรงนี้ไม่ติดตรงนี้<笑><笑>ก็โอเคพี่น้องเราก็ได้รับความรู้นะว่าเราต้องเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็เราไปอัปประวัติศาสตร์เยอะๆประวัติศาสตร์นบีนะที่มีอยู่นะ่ะให้เราไปอ่านเยอะๆแล้วก็ให้เราได้รับรู้ว่าอาลัลลอฮ์ส่งน บ, บีมา บออิสลามแล้ก็อบี๋มุฮัมมัดเป็นเป็นนับดเีรอซูนท่านสุดท้ายไปที่ยาบารรอมะที่มีเสาขาวนะี่ยตรงนั้นนะ่ะอายาสุดท้ายลงลงมาว่อาอเลี้ยวมาอัปมันตุลละกุมดีนะกุม้มว่าจะมามุตุอะไรกุมเนี่ยมาตียวรอเดยตุละกุมอิสลามมาดีนะชา บ, บ้านเะน่ยรู้สึกเลยว่าเสียบางคนเสียใจายบางคนดีใจบางคนเสียใจยเสียใจยว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อศาสนาสมบูรณ์อีกไม่นานอาลัลลอฮ์คงเก็บนับีไปแล้วเพราะทำหน้าที่สมบูรณ์ สวบางกลุ่มก็ดีใจว่าอัลฮัมดุลิลละฉันได้ปฏิบัติ i s l ามสมบูรณ์ตามที่อลอร์ประทานลงมาหมดแล้วดีใจที่ปฏิบัติมาสมบูรณ์แล้วแต่ว่าอายะสุดท้ายจริงๆคือวัตตะกูเยามันตุจังอูนฟิลลอฮท่านหลายจงระวังถึงวันหนึ่งที่ทุกชีวิตจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอ์เราจะตอบคำถามในความรับผิดชอบอย่างไรวันนู้นเราต้องตอบคาถาม อเลเยลมานักเตะมอัลาอัฟวัมอัลลอฮฺจะไม่ให้ปากพูดกว่ตุกันลิมูนาไอเดหิมให้มือพูดว่าตัชชาดูอารูลูมให้เท้าเป็นพยานแล้วมีบันทึกที่บริการบันทึกแขวนที่ตุ้นคอจะตอบคําถามในความรับผิดชอบของเราว่าเราจะตอบคําถามแบบไหนงั้นเป็นคนดีของอัลฮัมดุลิละบริกัรมีร่องมัดมีอย่าเป็นคนชั่วเอาอิสลามสมบูรณ์แล้วไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาใช้ปฏิบัติแก่แล้วก็ไม่ต้องทําบุญฉลองวันเกิดหรอก เด็กๆ เ, เจอฝ้าดังก็ก่อนๆเจอฝ้าดังบายบายเดี๋ยวนี้พอเจอโตๆแช่ๆเอาบายบายด้วยอ๋อแก่ขนาดนั้นเอาบายบายมาสอนหลานน่าจะบอกอัสลามุลัยกุมอาลลัฮเจ อ, อยาตอัสลามุลัยกุมอาจจะกลับแล้วอัสลามุลัยกุมเออเขาเชื่ออ้าวบายบายบายบายอา๋อเสียโอกาสนี่คือการติดมาโดยไม่ได้จงใจแต่ว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันแทรกซ้อนที่เข้ามาอยู่ในสังคมถ้าเราขาดอิสลามอย่างไม่ติดยึดอิสลามแล้วเราก็จะดูดโดนสิ่งอื่นดูดซึมอิสลามออกไปจากตัวเรา และเก็บสิ่งที่ไม่ใช่ซามมาอยู่ที่ตัวเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ใครทั้งสิน้นแต่เกิดมาเพื่อรับใช้อัลลอฮฺสุบฮฺตาราบอกมาขอลักตุนยินในวันอินไซนอิลลาริยาบุดุลอัลลอฮ์บอกชันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ในอิบาราต่อฉันต่ออัลลอฮ์ได้รับความดีรับความดีรับความดีอัลลอฮ์ไม่ไม่ประสงค์อะไรจากเราแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ก็ จากพี pues ่น like ้องด้วยเวลาเพียงแค่น so ี้ سبحانالله وبحمدها أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك السلام عليكم อาจารย์มุาติดประชุมวันนี้มีดาวระที่ศาสนา